ข้อความในอิติวุติกะต่อนะครับซึ่งในอิติวุติกะนั้นก็อธิบายถึงคุณของพระธถาคตทีนี้ในคุณของพระธาคตนี่นะครับก็มีอยู่หลายในด้วยกันคือมีสองในในละแปดแปดข้อนะครับที่ท่านยกมานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์มีคุณเท่านั้นพระองค์มีมากกว่านั้น แต่ที่ยกมาเพื่อสะดวกต่อการศึกษาก็สองในแบ่งเป็นหัวข้อก็เท่ากับ16หัวข้อทีนี้ในในยะที่สองข้อที่สามนั้นก็มาถึงยานะอันทองแท้นะครับซึ่งยานะที่ทองแท้นั้นก็ได้กล่าวไปถึงยานอะไรบ้างครับยานแรกเลยคือมรรคยานทั้ง4ประการของพระองค์นะครับหลังจากนั้นก็ได้กล่าวถึง ยานที่ไม่มีเครื่องกลางกั้นไม่มีปัจจัยอะไรมากลางกั้นในการ3แล้วพระองค์ก็ยังมีพยานอย่างอื่นอีกคือจตุเวสารชยานนะครับยานที่ทําให้พระองค์แกล้าสี่ประการแล้วพระองค์ก็ยังมียานอีกคือยานที่กําหนดคติ5นะครับแล้วพระองค์ก็ยังมีอาสาธารณายายนัยอาสาธารณายายนันั้นยานที่1เรียกว่าอินเดียะโปรปริยัตยานนะครับ ยานที่สองเรียกว่าอาสยานุสยะยานยานที่สามก็คือยมกะปาติหารยิยานนี่ก็มาขึ้นอาสาธรณายานข้อที่สี่นะครับชื่อว่ามหากรุณาสมาบัติยานยานที่เป็นมหากรุณาที่พระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับเจริญกรุณาแผ่ไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายนะครับคือ กรุณานี้นี่นะครับเป็นกรุณาที่ประกอบด้วยปัญญานะครับไม่ใช่สักแปลว่าสงสารเฉยๆแต่เป็นกรุณาที่มีความรู้ความเข้าใจในสัตว์ทั้งหลายอย่างอย่างท่องแพ้นะครับมองมองทะลุโปร่งสัตว์ทั้งหลายอย่างลึกซึ้งว่างั้นเถอะมองทะลุโปร่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์นี้อย่างถึงสัตว์ประสาททั้งหลายโดยทะลุโปร่งหมดนะครับทั้ง สัตว์เหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความทุกข์อะไรเป็นต้นพวงก็แพ่มหากรุณาไปในสัตว์เหล่านั้นๆตามความเป็นจริงนะครับซึ่งข้อความในปรมัททิปนีอัตถกถาอิติวุตกะก็ได้ยกมาส่วนหนึ่งว่าพระมหากรุณาสมาบัติยานอันเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคนะครับแผ่พระมหากรุณาอันเป็นไปโดยนิยต่างๆ ด้วยความที่พระองค์นี่ทรงประสงค์จะนําหมูสัตว์ผู้ถูกทุกขธรรมเป็นอเนกมีราคาเป็นต้นและมีชาติเป็นต้นรบกวนให้ออกจากทุกขธรรมเหล่านั้นนะครับในบรรดาทุกทั้งหลายนะครับที่ที่เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับถ้าหากว่าสงเคราะห์ลงอริยสัตว์แล้วก็ถูกทุกขาริยสัตว์เนี่ยกลุ่มรุมเล่นงานกับถูกทุกขสัมมุทัยอริยสัตว์นี่นะครับ กลุมรวมเล่นงานแล้วก็ทุกข์ขั์โดยมากก็เป็นชาติติทุกข์เป็นต้นนะครับชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกขมรณะทุกโสโกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตยอันนี้ก็คือทุกข์ขั์ที่ที่เป็นเป็นอยู่แล้วก็สมุทัยสัตรว์คือราคะเป็นต้นหรือบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้ามองรวมๆแล้ววิบากและกรรมชาชลบของสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับถูกชาติความเกิดชราเบียดเบียนพยาที่เบียดเบียนมรณะห้ำหั่นนะครับ ในพอบพูมิอันหาประมาณไม่ได้นะครับเช่นตั้งแต่ในนรกเนี่ยก็ถูกทุกขธรรมเบียดเบียนขนาดไหนเปรตอสุรกายสารรราัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งมนุษย์หรือเทวดาก็ถูกกิเลสเป็นต้นนั่นแหละเบียดเบียนพันทุกทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับพระองค์ก็มาจำแนกโดยนัยอาการต่างๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับเหมือนอย่างที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักมหากรุณาสมาบัติญาณิเทศเอาไว้ว่า ถามว่าพระมหากรุณาสมาบัติยานของพระตถาคตเนี่ยเป็นเช น, นก็คือว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายทรงเห็นด้วยอาการเป็นอันมากจึงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในหมู่สัตว์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตถูกไฟเผาให้เล่าร้อนจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นะครับ โลกสันนิว่าคือสัพพะสัตถ์ทั้งหลายเนี่ยถูกไฟคือราคะเนี่ยเผาอยู่ถูกไฟคือโทสะเผาถูกไฟคือโมหะเนี่ยเผาแล้วก็ชาติก็เผาอยู่ชาราก็เผามรณะก็เผาพญาที่ก็เผาสโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาติก็เผานะครับแม้กระทั่งความเดือดร้อนกังวลกังวายความหมุดหงิดความเครียดนะครับความไม่สมหวังความพลาดพลาดจากของรักเป็นต้นเนี่ยนะ อันโลกสานิวา์คือสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เร่าร้อนทุกข์ร้อนอยู่อย่างนี้นะครับพองก็เลยแผ่พระมหากรุณาไปสัตว์ทั้งหลายแลองคิดดูนะถ้าหากว่าผู้ที่เจริญกรุณาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเป็นพระภิกษุอย่างงี้นะเจริญกรุณาไปในกลุ่มคาราวานะอย่างยกตัวอย่างน ะ, ะไม่ต้องเจริญไปหมู่บ้านไกลเอาเฉพาะหมู่บ้านที่เราบินทบาตเนี่ยนะครับถามว่าประชาชนที่อยู่ในนี้นะครับ ถูกโรคภัยไข้เจ็บอะไรเบียดเบียนบ้างนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านที่พอรู้อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าบ้านไหนใครป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างบ้านที่หนึ่งเนี่ยปวดหัวบ้านที่สองตัวร้อนบ้านที่สามเป็นไข้บ้านที่สี่เป็นมะเร็งบ้านที่ห้าโรคกระเพาะไงก็นึกนึกไปโหถูกทุกกลุ่มรวมกันทั้งนั้นเลยนะครับบ้านโนเนี่ยแกชราแล้วล้มมอนนอนเสื่อบ้านโน้นถูกผ่าตัดบ้านนั้น โรคภัยเล่นงานบ้านนี้ครวญครวนนะครับบ้านนั้นแก่ชราเต็มทีแล้วหลงหลงลืมลืมก็ถูกทุกเป็นอนเนกนะครับเล่นงานอยู่นะครับแม้กระทั่งพวกเด็กอายุน้อยๆก็เล่าร้อนนะครับตื่นต้องเรียบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียนหนังสือเนี่ยนะเป็นต้นนะถูกเคียมถูกตถกีถูกพ่อแม่ดุถูกพ่อแม่ด่าบางคนก็หาไม่พอจะเป็นอยู่ได้ไม่พอที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ของแต่ละวันแต่ละวันไป หรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งพวกที่ไม่ได้ถูกสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนก็ยังถูกไฟคือราค่าเนี่ยแผดเผาทะเยอทยานดิน้นรนไม่มีที่สิ้นสุดถูกไฟคือโทสะทําให้ทะเลาะเบาแวงอยู่ไม่เป็นสุขกันถูกไฟคือโมหะนี่นะครับอวิชชาหุ้มหอ่อปกปิดไว้ทําให้ไม่เห็นคุณของพระรัตนะตรัยเป็นต้นเนี่ยนะท่านสรรพสัตว์ที่อยู่ในหมู่บ้านในละแวกนั้นก็ทุกข์นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการทํามาหากิน ไปแต่เช้านะครับเย็นจึงได้กลับมานะกว่าจะได้มีอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวนี่นะครับก็ดูโฮมทุกทรมานเหลือเกินนะนะนะเพียงแต่ว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาไว้ดูเพลิดเพลินดูสนุกสนานไปแต่ถ้าพิจารณาให้เป็นจริงแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะครับมันก็แค่เพลิดเพลินไปหน่อยๆเท่านั้นเอง เพราะนั้นในคำว่าโลกสันนิวาสซึ่งเป็นชื่อของขันห่านะครับเอาตัวขันก่อนนะครับขันเนี่ยนะชื่อว่าโลกเพราะหมายว่ามันสลายไปทีนี้ชื่อว่าสันนิวาสเพราะเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายขันห่านี่นะครับมันชื่อว่าโลกเพราะรูปก็สลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็สลายไปแต่ว่าสัตว์นี่ก็อาศัยนะครับคือสัตว์นี่เป็นบัญญัตินะครับเป็นคําเรียกรวมๆของขันห่าว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะสัตว์ก็อาศัยอย่างนี้แหละ ด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิคือสําคัญขันห่าว่าเราว่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสัตว์นี้เคยได้ยินอยู่แล้วว่าสัตว์นี้โดยศัพแปล ว, ว่าข้องนะครับคําว่าสัตว์ที่พระ อ, องค์ตรัสกับพระราชาว่าดูกรราชาชื่อว่าสัตว์เพราะคล้องในรูปข้องในเวทนาข้องในสัญญาข้องในสังขารข้องในวิญญาณเพราะความที่สัตว์นี้ข้อง นะครับผู้ข้องนั่นแหละจึงเรียกว่าสัตว์คือข้องในขันห้าซึ่งขันห้าแต่ละอย่างก็มีอันแปรแปรปวนไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โลกสันนิวาสก็ได้แก่สัตว์ที่ข้องในขันห้าหรืออีกความหมายหนึ่งคําว่าโลกสันนิวาสก็ชื่อเป็นชื่อของหมู่สัตว์นั่นเองนะครับสัตว์ทั้งหลายนี่แหละชื่อว่าโลกสันนิวาสนะพระองค์ก็รู้ว่าเออโลกสัตวสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ ถูกไฟเป็นต้นเนี่ยแพดเผาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าโลกสันนิวาตยกพลแล้วนะจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นะครับยกพลนี่ก็ยกพลไปไหนครับไปรบทับจักรเสืกหรือเปล่าก็คือยกพลไปหาความแก่ความตายนั่นแหละครับเคลื่อนไปหาความตายเป็นต้น น, นะนะค่อยๆเดินนะครับยกพลไป คิดดูนะว่าสัตว์ที่มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ก็เคลื่อนพลยกพลไปสู่ความตายกันหมดเลยนะครับคิดดูนะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เคยเกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยมากนี่นะครับตายแล้วซะส่วนใหญ่เราเคยเจริญมรณานุสติไหมครับจะเห็นว่ายกตัวอย่างใน จ, งจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยนะเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองเกา่าเมืองแก่เมืองโบราณโบราณพระราชามหากษัตริย์ผ่านมาตั้งหลายองค์เชื่อไหมว่ามหากษัตริย์เหล่านั้นนั้นเนี่ยนะครับ ตายเกลี้ยงเลยนะไม่มีเหลือเลยนะครับยังมากกว่าเลือกระดูกนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตายไปหมดเศรษฐีเรครหาบดีคนมั่งมีคนสิ้สุขคนยากคนจนคนร่ําคนรวยคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายนี้จากไปหมดนะครับแล้วก็พวกที่จะเกิดมาใหม่ๆพวกที่จะเกิดมาเท่าไหร่เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นนะครับแล้วพวกที่กําลังเป็นอยู่ก็พากันเคลื่อนผลยกผลไปสู่ความตายเป็นหมดนะครับ ในนี้ไอ้ระหว่างยกพลเนี่ยนะครับระหว่างเคลื่อนพลยกพลเนี่ยนะมันก็เหมือนกับสู้รบแล้วนะถามว่ารบกับอะไรครับชราเนี่ยครับมาเบียดเบียนมรณะมาห้ามหันบางคนถูกประหารคอขาดเป็นต้นเนี่ยนะบางคนเหมือนกับถูกแทงที่หน้าอกเป็นโรคกระเพาะเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เหมือนกับสงครามจริงๆนะครับยกพลเคลื่อนพลไปาพากันไปสู่ความตายกันหมดนะอันผมก็ทรงแผ่พระมหากรุณาไปในมูสัต บอกว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะเดินทางผิดแล้วนะครับเดินไปทางผิดถามว่าเห็นเขาเดินไปทางมัสมีองคแ8ดไหมล่ะเดินไปตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจจะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะ ส, ส, ส, สัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไปเพื่อ <mas k> เพื่อพ้นจากความเร่าร้อนเนี่ยนะครับเพื่อพ้นจากชาติชรามรณะเนี <mas k> ่ยเขาเดินตามนี้ไหมเขาไม่เดินเมื่อไม่เดินก็เรียกว่าสัตว์โลกเนี่ยเดินทางผิดแล้วนะครับ เดินเข้าไปหาปากแห่งมัจจุราช ส, ส่วนใหญ่แล้วก็โลกเหล่านี้ก็อัญชารานำไปไม่ยั่งยืนแล้วก็โรค ก, ก็ไม่มีอะไรเป็นของตนจําต้องละสิ่งทั้งปวงไปเคยมีอะไรก็ต้องจากหมดนะครับมีบ้านก็ต้องจากบ้านมีครอบมีครัวมีลูกมีร้านเป็นต้นก็ต้องจากหมดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าคนเขาสำคัญอยู่ว่า น, นั่นบุตรของเรานะครับคนเขาก็สาคัญว่า น, นั่นทรัพย์ของเรานะครับ ตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จากมีมาแต่ไหนนะครับคือตัวของตัวก็ยังไม่มีเลยครับต้อตาจากัจากตานี่นะครับการเห็นเนี่ยต่อไปจะไม่ได้เห็นอีกแล้วหูที่ได้ยินเสียงก็จะไม่ได้ยินจมูกที่รู้กลิ่นจะไม่ได้รู้กลิ่นลิ้นที่รับรูร้ร่างกายแต่ละส่วนก็จะสุดโทมไปเรื่อยๆพาไปสู่ความวิบัติความเสียหายนะครับมันจะจาต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่าง แล้วก็ในบรรดาสิ่งที่ต้องพลัดพรากต้องจากก็ยังพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตันหาเป็นาธาตุแห่งความห่วยหาห่วยหิวอยู่ตลอดเวลานะครับต้องการไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอต้องการรูปอย่างหนึ่งก็เพิ่มรูปอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แรกก็อยากได้แค่นี้แหละต่อไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีกรีของตัหาไม่มี ไม่มีลดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่รู้จักอิ่มนะครับมันพร่องอยู่ตลอดนะครับมันกระหายอยู่ตลอดหอยหิวอยู่ตลอดนะครับโลกสันนิวาสนี้ก็ไม่มีที่ต้านทานจะเอาอะไรมาต้านทานนะครับไม่มีที่หลีเกเลนไม่มีที่พึ่งแล้วก็ไม่เป็นที่พึ่งของใครนะครับเพราะทุกคนจะต้องหันหน้าเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายถูกกิเลสเป็นต้นเล่นงานกลุ่มรุมกันหมด แล้วก็สัตว์โลกก็ฟุ้งซ่านไม่สงบนะครับฟุ้งไปในรูปบ้างฟุ้งไปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะในธรรมารมณ์ในเรื่องราวการบ้านการเมืองเป็นต้นเนี่ยนะจิตใจก็ฟุ้งไปอย่างนั้นแหละตลอดโลกสันนิวาตถูกลูกศอนเป็นอันมากเสียบแทงอยู่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีคือสัตว์โลกนี่ถูกลูกศรคือราคะเสียบแทงข้างในอยู่นะ โทสะเสียบแทงอยู่โมหะทิมแทงอยู่มานะทิฐิกิเลสหรือแม้กระทั่งความทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เหมือนกับลูกศอนที่เป็นพิษเนี่ยนะครับแทงติดอยู่ในในใจอยู่นั่นแหละฉนั้นพระองค์นี้เป็นเหมือนกับหมอที่ผ่าลูกศอนนะครับผ่าลูกศรคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุกข์เจติดทั้งหลายพระองค์ก็ผ่าออกจากสัตว์เหล่านั้นทีนี้คนถ้าหากว่าไม่มีบุญหมอก็ผ่าให้ไม่ได้นะครับ อันพระ อ, องค์ก็จะผ่าให้สําหรับคนมีบุญกว่ากันแต่ว่าพระ อ, องค์ก็มีพระมหากรุณาสงสารไปในสัตว์ว่าอสัตว์โลกนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับโลกสันนิวาตมีความมืดคือวิชากางกั้นถูกขังไว้ในกรงคือกิเลสใครอื่นนอกจากเราผู้จะแสดงธรรมให้แสงสว่างแก่โลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีถ้าหากว่าพระพุทธพจน์บทนี้นะครับต้องอยู่ในคืนเดือนมืดนะครับซัก ประมาณสักหกทุ่มนะครับแล้วครึม้มฝนฝนจะตกแล้วอาจจะอยู่ในป่าลึกเนี่ยนะมันมืดขนาดนั้นเนี่ยมืดขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็ยังเหมือนกับถูกขังอยู่ในกรงมืดด้วยอยู่ในกรงด้วยนะครับแล้วโอ้ถ้าหากว่าใครจะมาส่องแสงสว่างให้ให้โลกเนี่ยมองเห็นนะในบรนไดในความมืดทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยใครจะให้แสงสว่างนะครับ นอกจากพระ อ, องค์อันพระองค์บอกว่าเออนอกจากเราแล้วใครจะให้แสงสว่างแก่โลกเหล่านั้นพอที่จะได้มองเห็นนะครับมองเห็นวันนี้ทุกมองเห็นวันนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยมองเห็นวันนี้ทุกขานิโรธมองเห็น ient, คค izzard, นี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาให้มองเห็นอริยสัจเนี่ยนะครับแล้วให้ประพฤติปฏิบัติตามแนวอริยสัจจึงจะเป็นไปเพื่อความสว่างเป็นไปเพื่อพ้นจากกรงคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะครับ โลกสันนิวา่าตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาเป็นดุจคนตาบอดอนอาวิชาหุ้มห่อไว้ยุ่งเหมือนเส้นได้พันเป็นกลุ่มก้อนนงนางดุจหญ้าปล้องหญ้ามงกระตายหาล่วงพ้นสงสารคืออบายทุกติและวินิบาตไปได้ไหมนะครับ อวิชชาเนี่ยมันปิดตาหมดนะครับอวิชชาเนี่ยปิดตาปัญญาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเมื่อตาปัญญาเนี่ยถูกปิดแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดอวิชชาหุ้มห่อไว้ก็พากันทําชั่วปานาติบาทยุ่งเหยิงไปหมดอธินนาทานกันวุ่นวายไปหมดกาเมสุมิชาจารกันน้วเนี้ยกันไปหมดนะครับมุสาวาศก็โหโกหกกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับสุรายามเมาก็นับว่าเป็นเป็นสิ่งที่ชอบทําไปแล้วนะครับ งานไหนถ้าไม่มีสุรายามเมาเป็นต้นงานนั้นก็แทบจะผิดปกติไปแล้วไม่ว่างานบวชงานศพงานเป็นงานตายงานเกิดงานสารพัดงา น, งานก็ต้องมีสุรานี่ยนะครับเป็นตัวย้อมจิตย้อมใจเพราะฉะนั้นมันนุ่งนังกันไปหมดนะครับยุ่งวุ่นวายเมื่อสุราเข้าครอบงํานะครับฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเสียบแทงเข้าไปในในใจแล้วก็อะไรต่อครับมุสาวาดก็ง่ายนะครับปิสุณาวาจาพฤทวาจา กาเมสซมิฉาจาย์นะครับเพราะฉะนั้นหนักหนาสาหัสเข้าไม่เหลือแม้กระทั่งเพศที่นุ่งเลืองห่มเลืองนะครับก็ยังเมื่อวานโยมยังมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีความเสียหายอะไรนะว่าโอ้โหอวิชานี้พาบอดแม้กระทั่งนุ่งผ้ากาสาวะขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ยังไปประพฤติตัวผิดพลาดนะครับถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอาวิชานั่นแหละทําให้เขาตาบอด นะครับมองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปไม่เห็นว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าผู้ที่เป็นประราชิกนะครับกินก้อนเหล็กแดงๆให้ตายนะครับยังจะดีกว่านะครับยังจะดีกว่าที่เขาจะบริบริโภคกลืนกินปั จ, จัยสีหรือการที่เขาไปทำชั่วลักษณะนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ตรัสว่า ให้งูพิษมันกัดยังจะดีกว่าหรือว่าเอาองค์ชาตินะครับสอดเข้าไปในหลุมฐานเพลิงเป็นต้นยังจะดีกว่า เพราะว่าอาการกระทําอย่างนั้นไม่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาสส่วนแต่ผู้ที่ทําอย่างนี้นะครับเป็นเหตุแห่งการไปสู่อบายทุกขติวินิบาสนี่บาปประกา ร, รเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ทําไปแล้วเขามีโอกาสได้มาบวชอย่างนี้ครั้งเดียวนะครับถ้าถ้าเทียบแล้วนะสังสารวัตเมื่อเขาทําตราบาปเอาไว้ในพระศาสนาอย่างนี้โอกาสที่จะได้มาขึ้นสู่แบบนี้ก็ครั้งเดียวหลังจากนั้นไปแล้วนะครับถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆแล้วใครจะไปเห็นใจเขา เราถามดูนะศึกษาพระธรรมกันอย่างนี้นึกเห็นใจลิงสักตัวไหมครับนึกเห็นใจกวางสักตัวนึกเห็นใจควายเห็นใจวัวเห็นใจปลาเห็นใจสัตว์ประสาททั้งหลายนี่นะครับจริงเรดจริงจกตุกแกเนี่ยเห็นแโอ้น้าเห็นใจนะเออแมวเนี่ยเจ้าหน้าเห็นใจนะเพราะอวิชชาเป็นต้นยากนะครับที่มีผู้เห็นใจสงสารกรุณาในสัตว์เหล่านี้เพราะฉะนั้นโอกาส เหล่านี้ก็อย่าปล่อยให้ล่วงเลยเพระองค์ตรัสว่าอย่าปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปเลยเพราะว่าผู้ที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปก็ไปญาติเยียดอยู่ในอบายทุกขเววินิบาตในรกเป็นอันมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าสาตว์โลกนั้นก็เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นปกติของศาสตร์โลกว่างั้นเถอะทีนี้ถ้าหากว่าพราะองค์ไม่แสดงธรรมนะครับก็จะถูก อ, อวิชชาเนี่ยนะครับหุ้มห่อทําให้มืดบอดเนี่ยนะครับ มากมายมหาศาลแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ยังพอมีผู้ที่มีสติมีปัญญาพอที่จะมีแสงสว่างมองเห็นดีเห็ น, หนชั่วเห็นบุญเห็นบาปนะครับเห็นกุศลอ ก, กุศลเห็นอะไรมีโทษไม่มีโทษได้บ้างนะครับ